โซโลใหม่นะครับโซโลที่สามสิบห้าหลังจากโซโลสรสะฟาวติอ่านไปสี่อายะคนอ่านไม่วาเนี่ยมาตรงอ่านก็ได้มาตรงอ่านก็อ่านไปเลย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 جعل الملائكة ر س ل ا أ و ل أ ج ن ح ة م س ن ع وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من الرحمة ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها وما ي م س ك ن ว ا มายุมสิْอันไหนมุมสิกโอรสิกอَ่วันลَเลยว و มาَ ا ي ว م ْ س ยุมสَ م ว ا มُยุ س ส ك ْ فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها يا أ ه ا الناس أ ذ ك ر و ن عمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلاه ฟ ك นนาต ب ฟักุนไว้คด ribu กาฟัคดักคด ribat รุสุลุมิ่งกาเบลิกไวลัลลอฮิทูรุจัยอัลอุม hamdulillah ขสิยาพ่อว่านะครับบ i สมิลลา rahmanir rahim อินนั้ลฮะมดุล illah نحمده ونستعينه ونستغفرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له, له وأشهد أن لا إ ل إلا ل ل ه و ح د لا شريك له و ش ه د أن م ح م د ا ب د و ر س و ل Um na, na, nah ya, u, a l l ص ن ا و ن ا ك ن ك و ت و ل ل و ر بك ه ِ تَمَاتِ مِن شَرِّمَ خَلَقَ أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ تَمَاتِ مِن شَرِّمَ خَلَقَ أعوذ بك لِمَاتِ ا ل ل ه خ ب س م ا ل ا ل ذ ي ل ا ي َ ما <مع> اسمه شيء في, في, <بسم الله الذي لا> <مع> في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر. <oneself> م <الم> ع <مع> اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر. م ع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك. มิ่งัยอัลอาซควมอัลลอฮุมะอิซนามิ่งัยอัลอาซควมอัลลอฮุมะอิซนามิ่งัยอัลอาซความสลามาลัยกุมะรหัตุลลอฮฺอบระกุ alhamdulillah พี่น้องที่ร่วมน้าสุบะที่มัสยิดและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับฮมดุลิลลาห์ก่อนอื่นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ นะครับเ ย, ยอะๆเพราะการนึกถึงอัลลอ์นั้นเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้หัวใจของเราเนี่ยสงบยิงโรคระบาดอย่างนี้เ็าเรียกโรค อ, อะไรนะโควิด1 9โควิด 19. <c oughs> -19 เกนี่ยก็นี่เป็นการทดสอบจากอัลลอ์พูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นการทดสอบจากอัลลอ์ ทดสอบทําไมเ่า น, นคนที่อ่านคนอ่านเนี่ยได้ข้อคิดเยอะก่อนหน้านาบีมุ hammad มเนี่ยก่อนหน้านาบีมุ hammad นะนบีมูซานาบีอีสานาบีก่อนโ ก, กนี่นะครับอัลลอฮ์ส่งบรรดา น, นิาบีมาเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนพฤติกรรมมาเปลี่ยนเรื่องเรื่องพฤติกรรมเรื่องอัคลากนี่ล่ะ เรื่องแรกก็คืออย่าตั้งพาธีกับอัลลอฮ์นบีทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่มีใครเชื่อไม่หมดหรอกที่เชื่อนเนี่ยจำนวนน้อยที่เชื่อตามนาบีอิบรอฮีมนบีมูซานาบีอีซานาบียูซุปเนี่ย ม, ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็ทรยศอัลลอ์ก็จะเนี่ยทดสอบอทดสอบทดสอบทดสอบ ในการทดสอบของบรรดาาบีที่มาก่อนๆเนี่ยกับการทดสอบของนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนละเรื่องกันคนละอย่างกันในสมัยนบีนวะเนี่ยเวลาใครไม่เชื่อของที่อัลลอ์สั่งนี่นะอัลลอ์จะลงโทษเลยเช่นให้น้มอะไรนะน้มท่วมตายหรือไม่ตายตายบางคนตายว่านึกว่าตายแล้วจบไม่ใช่ ตายแล้วไม่จบครับถูกเล่นงานถูกลงโทษต่อขณะที่วิญญาณเขาก็ออกออกจากร่างไปแล้วเขาถูกลงโทษที่สุสานต่อไปถึงจะไม่ได้ฝังก็เขาเรียกว่าอันล้ำบรร zac ทั้งหมดแล้วก็ต่อมาในยุค ข, ของนบีมูซาก็เหมือนกันอัลลอฮ์สงนบีมูซามาหาใครหรือเปล่ามาหาฟาโร่ทีนี้ก่อนที่จะส่งมูซามาเนี่ยใครมาก่อนฟาโรมาก่อนใช่ไหม ตงกับคุรอานที่อัลลอบอกว่าวันละกอดอัลสลนาอิลาฟิร่าอนอรอสูลเราได้ส่งไปหาฟิร่าอนคำว่าฟิร่าอนเนี่ยอุลมาก็อธิบายดีนะอธิบายบอกว่าเป็นตัวแทนของความชั่วคคำว่าฟิร่าอนเนี่ยหมายถึงคือเป็นชื่อคนด้วยอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนของความเลวทั้งหมดที่นามาโดยฟิราน คนนำมาเนี่ยทีนี้พอฟิรอรนมาแล้วก็มามาไทยมากดขี่ประชาชนมากดขี่คนแล้วก็แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแล้วก็เหมือนกับบังคับนะสั่งเลยนะจะเอาตำรวจทหารไปเล่นงานคุณนะถ้าหากว่าไม่กราบฉันเนี่ยไม่เชื่อฉันว่าฉันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นพระเจ้าเนี่ยเรื่องอย่างงี้เนี่ย ล l l a h ก็สรงนบีมูซามาวัลลออนล้วก็อัลสลาอิลาฟิร้างูนะรอสูละคาว่ารัสูลบมายถึงนบีมูซาแต่ตัวนี้แปลว่ารัสูลหมายถึงตัวแทนของความดีฟงฟิรางูมาเป็นตัวแทนของความชั่วแล้วก็ส่งรอซูลมาเพื่อมาลบล้างเป็นตัวแทนของคนดีมหาคนชั่วฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย โรคระบาดนี่นะครับก่อนหน้าโรคระบาดมีอะไรมีฝุ่นใช่ไหมก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆนะส่วนลงงมาพวกเราเนี่ยไม่ได้เว้นว่างไม่ได้ว่างนะมีการทดสอบจะเอาล่ออยู่ตลอดเวลามีแห้งแล้งมีเปล่ามีแล้วก็ต่อมามีมีฝนตกมีมีน้าท่วมมีในรุ่นเราเนี่ยนะเราเห็นเยอะนะแล้วก็อะไรนะฝุ่นอะไรพีอม พอหมดฝุ่นดีโอ้โหโควิดสิบเก้าตามมาอีกทั้งหมดเหล่านี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยนบีก่อนอลัลลอฮ์ลงโทษฆ่าฆ่าหมดเลยนะทั้งโลกอะ่ะแต่สมัยนบีมุฮัมมัดอลัลลอฮ์ลงโทษมานี่เล็กๆ น, น้อยๆเพื่อเตือนนะนี่มันเตือนเตือนเตือนเตือนใครเตือนคนที่ทําบาปเตือนคนที่ทําบาปนะและก็บาปในสมัยนบีมุฮัมมัดสมัยเราเนี่ย มีบาปใหญ่ๆประมาณร้อยกว่าอะไรบ้างขยกตัวอย่างง่ายหนึ่งชิริกตอรอเป็นบาปใหญ่แล้วคนชิริกตอรอเยอะไ้ยล่ะนับถือนะบีอิสซาเป็นพระเจ้าเนี่ยบาปใหญ่หรือบาปเล็กบาปใหญ่ยังคยังทากันอยู่นะอัลลอไ์ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลงโทษแบบสมัยนะบีนะนะแต่ลงโทษอย่างนี้แหละให้พบกับเรื่องปัญหาต่ตางๆจะไม่เพื่อได้ เพื่อเตือนให้สำนึกสำหรับผู้ศรัทธาต่อดเนี่ยพอเจอโรคโรคอย่างนี้เนี่ยเราก็อบรมกันสอนกันคนอยู่บ้านมากขึ้นใช่ไหมใช่พออยู่บ้านเราทำอะไรไม่ใช่นอนตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ต้องมานมาที่บ้านนั่นแหละมาเรียกลูกมานมามา ก, กันพร้อมๆกันแล้วก็โรคอย่างนี้มาเนี่ทตัวคนนึกถึงความตายกันหมดน่ะยืนนมาก็ห่างๆกันใช่ไหมล่ะ ทำไมยืมก็กลัวโรคไงใช่ไหมล่ะอนุญาตไหมอนุญาตให้ทำได้ใช่ไหมฉะนั้นที่เราคิดถึงความตายสิ่งที่ตามมาคู่กับความตายคือต้องตอบบาตตัวต่อเราต้องตอบบาตัวครับอย่างอื่นไม่มีครับฉะนั้นตูบูอิลลอฮิเจลบตจนนอซูฮะท่านทั้งหลายจงลุกกตโทษทนต่ออัลลอฮ์ซะเสียใจในความผิดที่ทํามาในอดีตทั้งหมดนึกให้หมด ว่าความชั่วจะเราทางไว้ในกี่ข้อในพี่น้องนึกขึ้นหมดเลยนะแล้วก็อัสตัฟุรุลออัสตัฟุรุลอฉันขอสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์แล้วก็ถอนตัวออกจากความผิดอันนั้นแล้วก็ไม่หันกลับไปทําความผิดอย่างเหมือนเหมือนเดิมอีกข้อที่สามอยู่บ้านทําอะไรครับในช่วงนี้อ่านกุรานเยอะๆอ่านกุรานเยอะพี่น้องแล้วก็อ่านกุรานนะมีส่นมีสองแบบนะอ่านเพื่อให้จบเป็นเล่มก็อ่านไป แต่นี้บางคนอ่านเพื่อหาความรู้มีไหมที่เรานั่งกัอยู่เนี่ยนี่ก็นั่งห่างกันถูกต้องเลยนะเนี่ยก็อ่านก็อ่านแบบหาความรู้นะอย่าอ่านเยอะอ่านสักสอายะห้าอายะอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาหาความรู้ดูศัพท์มันแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําจะเพิ่มพูนอีหมานนะครับแล้วก็ต่อมาครับซิกรุลุนล้อเยอะๆขอดูอาขอนูอา้ออางก็บซิกล้อต่างกันนะขอดุอา้ออางก็เนี่ย โออัลลอฮ์ให้ฉันห่างไกลจากโรคเนี่ยโรคร้ายโควิด -19 ยเก้าอล่ารอพูดบ่อยๆหครั้งสิบครั้งสิบห้าครั้งขอเผื่อให้ลูกด้วยเผื่อให้ภรรยาด้วยขอให้ญาติพี่น้องเราด้วยเราขอกันต่างคนต่างขอซึ่งกันและกันแล้วก็ซึ้รุลลอีกเยอะๆแบบนบีมักหมายในขณะนั่งประชุมกับสราบา น, นาบีเนี่ยสราบาณบีบางคนนั่งอยู่ข้างหลังนีีต้องการจะดูว่านาบีว่าอะไรตอนประชุม ี่จะกล่าวอัสตัฟิรุลลอฮฺอัสตัฟิรุลลอฮฺอัสตัฟว่าประมาณเจ็ดบเที่ยวเจ็ดสิบครั้งอ่ะเนี่ยวันนั้นวันนี้โอกาสนะครับสําหรับพวกเรานะนึกถึง AH อัลล AH อฮฺเยอะๆสิกิตุอลลอฮฺเยอะๆขอดวอาเยอะๆอ่าน q u r a อ่านเยอะๆตาบาตัวต่ออัลลอฮฺเยอะๆไปน้องแล้วก็บริจาคเยอะๆเพราะการบริจาคนี่ช่วยอะไรนะช่วยไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมาหาเราด้วย บริจากให้ใครอย่างบริจาคแบบคนยากคนจนญาติพี่น้องเราที่แย่ๆเรารู้เนี่ยบันใครแย่จนแล้วก็เอาเงินไปช่วยเขาดูแลเขานะครับขอบคุณนบลนเราได้ทบทวนคุณอ่านมาจบอายา 3, 14, สุรที่สามสิบสี่สุรสบสุรสบเนี่ยมีความรู้เยอะนะพี่น้องถ้าจะอธิบายอีกก็เป็นการทวนของเกา่าแต่ไม่อธิบายละพี่น้องกลับไปนอนคิดดูนะเราเรียกมาขึ้นสุรสใหม่ชื่อว่าฟาติ ฟาติสเนี่ยแปลว่าเนรมิตผู้ที่คืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นเป็นชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะฟาติสเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิต ด, ด้วยนครับแล้วก็การสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่มีแบบไม่เหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราวันนี้จะสร้างอะไรก็ตามแต่ต้องมีแบบก่อนใช่ไหมแต่ต้องขออนุญาตก่อนขอจัเขตก่อนโอ้ยไม่แต่ของอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องขออนุญาตใคร แล้วก็สร้างนี่ไม่มีแปลนแล้วก็อโลแล้วก็แปลนของอโลนี่นะไม่มีใครรู้ด้วยนะอายุตัวอย่างชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยไม่มีแปลนเราเคยสังเกตไหมล่ะทองฟ้านี่สูงขึ้นไห น, นี้นะมีเสาสักต้นไหมแล้วุ็อ่านชี่นะ้ำมาไว้ดูซิมีเสาไหมโอ้โหมาได้ยังไงพี่น้องฉะนั้นฟาติดแปลว่านีเรมิตฟาติดแปลว่าสร้างนะครับ คนที่ทําคนแรกโดยไม่มีแบบเรียกว่าฟาติดหมดเลยฟาตอรอนะครับฟาติดในมีทั้งหมดกี่อายะนะ ม, ม, มีอยู่หมด45สบห้าอายะมีอยู่ห้ารุกวะสุระอนนี้ถูกประทานที่นครมักกะสังเกตนะจ้าพ่อท่นประทานที่มักกะเนี่ยจะพูดเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอัลกีดาเป็นส่วนใหญ่ส่วนประทานที่มักกะเนี่ยจะพูดเรื่องอาการผูกกมให้ทํางั้นทํางี้ทํางี้ทางั้น ที่มกจะพูดอะไรนะอัลลอฮ์ทนูนอัลลอฮ์ทนี้เพื่อให้คนได้โยงใยให้หัวใจโยงกับอัลล์ุบฮานะหุวดะลาอัลฮัมดุลิลลาฟาติริสมาวติ ل ا ر ض جاعل ا ل م ل ا ك ا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله فاطر السماوات والأرض จะให้ลิลมาลาอิคติรุสุลาَลีอา ا ัญหะติมัสนะวาสุลาซาวรุบะยาจิِุฟิลขันทิมายาชาอินนัลลอฮَะลาคุลชَยอินกดีขัมจุลละอันนี้มีหลายประเด็น ประเด็นแรกก็คืออัลฮัมดุลิลลาแปลว่าอะไรครับบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์พูดเราในฐานะเป็นบ่าวอัลลอฮ์พูดคำนี้บ่อยๆอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาที่ท่านนาบีสอนเวลาใครชมเราเนี่ยว่าไงอัลฮัมดุลิลลา สุขภาพท่านนี่แข็งแรงดีนะอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณเอากลูกหลานเรานมาสกาเวลาเราก็นึกอัลฮัมดุลิลลาบ้านเรายังไม่มีใครพบโรคอะไรนะโควิดส9บเกอัลฮัมดุลิลลาต้องสรรเสริ Allah, ญอัลลอฮ์เยอะๆนั่นพอาสรรเสริญต่ออัลลอ์เนี่ยโยมหัวใจเราต้องโยงกับอัลลอ์ ฉะนั้นให้กล่าวคำนี้เยอะๆหล่ออักบัตยิ่งใหญ่ในไปนอนกับเอาต่อมาเรื่องที่สองฟาติริสามาวะทิวัลอาร์ดฟาติแปลว่าผู้ทรงเนรมิตผู้ทรงเนรมิตฟาติริแปลว่าผู้ทรงเนรมิตอสมาวะชั้นฟาทั้งหลายชั้นฟาต้องนึกนะมีกี่ชัน้นเจดน แต่ละห่วงละห่วงนี่พี่น้องโอ้โจินตนาการของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ใช่ไหมแล้วก็วันอัลลอฮ์ Allah ผู้ทรงเนรมิตชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์นี่พี่น้องครับนี่นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะล้วคุยด้วยใครสามารถทําได้อย่างฉันเชิญฉันนี่นะสร้างชั้นฟ้าเนรมิตชั้นฟ้าไม่มีแบบ แล้วก็ไม่มีเสาคุณคือมองเห็นเสาไหมละ่ะนี่อัลลอฮ์ถามในการปีกุรอานคนที่อ่านกุรอานต้องนึกอัลลอห์ลฮัมยูรีละขอบคุณอ oh. ัลลอฮ์เรามีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะแผ่นดินเนี่ยกับอะไรนะกับชั้นฟ้า น, นี่นะมันเป็นดุเขาเป็นสโมกในกะุรอานอิสลามนี่นะต่อมาอัลลอฮ์ไดฟานาตัก น, ะฮน ot, าฮุมาอัลลอฮ์ได้แยกแยกเป็นชั้นฟ้าส่วนหนึ่งเป็นดินส่วนหนึ่งนี่นักวิทยาศาสต ร, ร์ ก็เดินตามกุรอานนี่แหละพี่น้องแต่ไม่มีใครขอบคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่เราอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูอัลลอฮ์ต่อมาครับเรื่องที่สามพอสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินนี่ส ร, ส, รสร้างสร้างอะไรก่อนนะสังเกตนะเอ่ยเอ่ยอะไรก่อนเอ่ยชั้นฟ้าก่อนเห็นไหมแล้วก็แผ่นดินที่หลังแสดงว่าชั้นฟ้าเนี่ยสร้างก่อนแผ่นดินสร้างที่หลังนะครับ มาเรื่องที่สาายลิลมาลาอิกะทิรุสุลาายินแว่าผู้ทรงมาถึงอัลลอ์เนะ่เป็นผู้ทรงแต่งตั้งจายินบะว่าแต่งตั้งแต่งตั้งใครครับอัลมาลาอิกะมาลาอิกะนี่มันเป็นมัคลูกชนิดหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นเห็นยังครับนี่งานเขาอิสลามหมดเลยงานเขาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากครับ มัรลูกที่เรามองไม่เห็นมีอยู่สามใหญ่3อันใหญ่ๆหนึ่งมะลายิกาสองัยตอนสายินถามว่ายินมะลายิกาไชัยตอนเนี่ยเราเนี่ยใครสร้างก่อนกันอัลลอฮ์สร้างมะลายิกาก่อนมนุษย์ถหลังที่หลังหลังสุดหลังสุดสร้างชัยตอนก่อนยินก่อนมะลายิกาก่อนแต่เรื่องนี้อัละลอฮ์เล่าเฉพาะมะลายิกาอย่างเดียวจ่าอิลิลมลายิกา อัลลอฮ์สร้างมาลายิกามาเนี่ยเป็นอะไรทําหน้าที่อะไรรูสูลันอ๋อรูสูลันเป็นอะไรนะเป็นผู้สื่อข่าวต้องการจะอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์ให้เกียรตินบีมุฮัมมัดเอาให้เกียรติบรรดา น, น บ, บีทั้งหมดที่มาในโลกนี่นะเวลาอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าเรื่องต่างๆให้มนุษย์รับทราบให้มนุษย์รู้ อัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่ลงมาคุยกับมนุษย์ตรงๆอัลลอฮ์ Allah จะแต่งตั้งนบีแต่งตั้งรอซูลขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์ก็จะแต่งตั้งมาลายิกาเนี่ยยิบรีนเนี่ยคือมาลายิกาที่นี้ก็ยิบรีมีทั้งหมดคาราบ้างหนึ่งมียิบรีมีมีกาอินมีอิสรอฟีนหรืออิสรา อ, อีลนี่ใหญ่ๆหมดเลยนะแล้วก็มาลายิกา ที่รับผิดชอบดูแลงานอื่นๆจำนวนนับไม่ถ้วนที่อัลลอ์สร้างมาแต่อัลลอ์ต้องการจะเล่าเรื่องยิบรีลอย่างเดียววันนี้มละลอิกะที่อัลลอฮ์ส่งมาติดต่อกับบรรดา น, นาบีทั้งหมดนั้นชื่ออะไรนะยิบรีลท่านยิบรีอลอลฮิสลามอัลลอฮ์อักบัรเนอัลลอฮ์ Allah เล่าเปิดสมองเราอย่างท่า น, นความรู้ที่บรรดานาบีได้รับนี่มาจากอัลลอ์ทั้งหมดนะนบีไม่ได้คิดเอง บรรดา น, นาบีทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่ได้คิดเองนะความรู้ไม่ไม่ไ ม, มีนะถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่านะในการพกคุอ่านอายะอื่น อ, น อ, อ, อนธิบายอย่างนี้ว่าอัลลอมาอาดามัลอัสมากุลละอัลลอฮ์ได้สอนนบีอาดัมผ่านจิบีนี่แหละผ่านมาดิการนี่แหละให้ความรู้เนี่ยชื่อของสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์สอนนะอย่างนี้เรียกว่าดวงอาทิตย์นะอย่างนี้เรียกว่าดวงจันทร์นะอย่างนี้เรียกว่าดาวนะอันนี้เรียกว่าต้นไม้นะ ให้ความรู้ผ่ามาลัยกาหมดเลยทตนี่ลักษณะของของมาลายกานะเนี่ยเป็นอะไรบ้างอูลีอจญิหะมีปีกโอ้ล้ำจุลินทรี์เพิ่งรู้หูตาสว่างเลยอลัลลอฮฺมาลัยกาเนี่มีปีกใครเล่าให้ฟังอัลลอฮฺเล่าเองอุลีอจญิหะอัจทับเป็นพระหุ่นองเขาว่าจานาหุนแปลว่าปีก วิ wing, wing, wing, nah. wa, ่งในภาษาอังกฤษวิ่งวิ่งนะฮะอัจานี่ครับแปลว่าหลายหลายปีอัลลอฮ์มีปีกนะอัลลอฮ์อธิบายอีกมีปีกี่ปมัสนาสองปีวาซาลวาซูลาซะสามปีแล้วก็วารูบาสี่ปีอัลลอฮ์ฮามดุลิลลา์ขอบูุณอัลลอฮ์ละลาฮให้ฟังทีนี้ แล้วก็มองบนบนดุนยาเนี่ยอะไรที่มีปีกบ้านกนกมีสองใช่ไหมสา ม, มีไหมเออแต่ของมาเลกามีสามอ้าวเห็นอย่างครับนึกอัลลอฮฺอักบารนี่ตัศนีอธิบายหมดเลยนะนกที่เราเห็นอยู่นะ่ะสองปีกที่เราเห็นกัอยู่เออพอพอเข้าใจนะโ อ, อ้สองปีกสองปีกสองปีกแล้วสามล่ะ อัลลอฮ์แล้วก็สี่ละอัลลอฮ์เห็นยังครับสี see, ไม่เคยเห็นสามไม่เคยเห็น mm hmm. เห็นเฉพาะสองพระต้องอีมาน ง, งานนี้ต้องอีมานนี้อีมานอย่างนี้นะอัลลอฮ์มีเพาะรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วความรู้นี่ถือว่ามีสองปีกสามปีกสีป่ปีเป็นความรู้ที่ผ่านยิบรีนเอามาบอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดเห็นยังท่า น, นเรต้องให้เกียรติ น, นบีเยอะ ถ้านบีไม่มีนี่จะรู้ได้ไงว่าสองปีสามปีสี่ปีฉะนั้นอย่าอย่าทรยศอย่าดันทุรังต่อคําสั่งของของนบีนบีสั่งอะไรทําให้หมดพี่น้องที่ยังไม่ทำํำก็ศึกษาไปโอ้นบีสั่งอะไรบ้างนบีสั่งอะไรบ้างทาตามนบีให้หมดพี่น้องรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มีส่วนยิบรีอละฮิสลามเนี่ยนบีเคยเคยบอกมาเลย์กาฉันอยากจะดูรูปท่านตรง รูปเดิมเดิมของท่านเป็นยังไงยูรีว่าเห็นเห็นไม่ได้อยากเห็นก็ให้เห็นแสดงตัวให้เห็นปรากฏว่าหกร้อยปีแล้วก็ปีกแต่ละข้างนี่นะท้งที่ตะวันตกมีตะวันขึ้นมีเขาเรียกว่ายายมา ก, ก น, นะพอเห็นปั๊บเนีลล่ยเอาโลว่า ที่ยิบรีนขึ้นลงเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยจากมามาจากอัลลอฮ์มหานบีมุฮัมมัดเนี่ยวันหนึ่งขึ้นลงไม่รู้กี่ครั้งตกกี่ครั้งอ่ะเอาเอาคูณอ่านมาเอายิบรีนให้ให้ความรู้กับนบีนะพี่น้องเข้ามาให้ความรู้กับนบีนะผ่านยิบรีนหมดเลยนะแล้วก็เมื่อก่อนนี่นะก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาเนี่ยช้ตอนขึ้นข้างบนได้ไปแอบฟังอะไรแต่ อ, อะไรว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งมาริกาให้ทํานู่นทํานี้ก็เอามาหาหมอพวกหมอดูทั้งหมดนี่แหละ หลังจากมุนบีมาหมาดมาเนี่ยมลยจิปรีนเอาลเอาความรู้ลงมหาหาบีเนี่ยตตอนขึ้นข้างบนไม่ได้เลยขึ้นบนไม่ได้เพราะมันไปขวางทางเข้ามาเดี๋ยวยีรู้เราอามาเจอใซ้ตอนอีกนั่นเคลียร์หมดเลยแบบในหลวงจะออกไปไหนก็ตามแต่ถนนต้องเคลียร์นะจักรยานไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถไม่มีต้องจอดริมทางหมดอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้คุณอาลงมหาหาบีแบบคล่องคลอง อันเราจะดูถูกคุณอ่านไม่ได้ครับเพราะคุณอ่านเป็นความรู้ที่สอนให้เราเปิดหูเปิดตาสอนให้เราได้เข้าใจเรื่องที่เรายังนึกนึกไม่ออกอย่างเงี้ยมาจากอัลลอฮฺมาลาบหมดเลยจายลินมาลาอิกาทิรุสุลาอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแต่งตั้งมาลาอิกาเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวฉะนั้นนักข่าวที่ดีที่สุด คนแรกของโลกคือใครมาลายกาให้นักข่าวเนี่ยี่นักข่าวบ้านเราเนี่ย อ, อัลลอฮฺมาไปเที่ยวมาลายกาได้ไมานิดนึงก็ไม่ได้มาลายกาเนี่ยไม่เคยเพิ่มเติมอลัลลอฮฺให้มาแค่ไหนก็เอาแค่นั้น ม, ะ ม, ะมะาโมอ์ไหกันอบดบีไม่ลดไม่ย้อนไม่เพิ่มแต่นักข่าวบุคเราวันนี้ อ, อัลลอฮฺจะไปตำหนิอะไรเยอะนะก็ผ่านๆ ก, ก, กันไปก็แล้วกันนี่สําหรับคนที่อ่านครุรานได้ข้อคิดเยอะมากกับต่อมาครับ ทดลองว่ามาะเร็งข้ามมีปีกไหมมีสองปีกมีทักวันหนึ่งปีกไม่มีอย่างน้อยมีสองก่อนเริ่มเบ็ดมัสนาใช่ไหมอย่างน้อยต้องสองสองปีกนะครับแล้วก็มีสามมีแล้วก็มีสีม่มียาซีดูฟิลคอลกีมายาชะแล้วก็ อ, อัลลอ์ทรงเพิ่มอ่าทรงเพิ่มอีกในตัปซิดนักเรียนเก่าอัลลบนะ อิสโรวฟีจะมี 12,000 ปีใช่ป่าอิสโรวฟีนะ่ะในเรียนเกา่าอารับหนมะื่นสองพันปีผมก็เช็คตับซีดนะไม่พบจะมาพบอยู่เนี่ยักเรียนเกา่าอารับนะหม0่นปีเอาละครับยาซีดูฟิลคอลติมายาชาอัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนนะครับในการสร้างของอัลลอฮ์จะมีกี่ปีก็ได้ เรื่องนี้อธิบายอย่างนี้นะครับมนุษย์ก็เหมือนกันเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะไอ้คำว่าคำว่าเพิ่มนี่นะคือมานเลยกาเป็นไงครับความสวยของมันเลย ก, ก็มีด้วยนะสวยมากครับปีก็สวยแล้วก็เสียงอีกแหละเสียงมันเลยก็เนี่ยไปน้องครับอัลลอฮ์บางทีเสียงก็ทรมานคนตายเหมือนกันนะเสียงตะคอกออกมาเนี่ยตายหมดเลยนะ แล้วก็เสียงที่สวิตเสียงไพเราะเสียงดีดีมีไหมมีครับฉันพูะละอัลลอฮ์สร้างมานานสร้างมลายกามานี่เสียงก็อัลลอฮ์เขว่าฮุสตุอัสวาดเสียงดีมากแม้แต่คนก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้เสียงเหมือนกันไหมบางคนอ่านอ่านอ่านกูอ่านเพลินจริงจริงเยนะอิบามแล้วเนี่ยนะบางคนนีอัลลอฮ์อ่านแล้วชื่นใจบางคนก็อ่านพอฟังได้บางคนอ่านล้วหูเสียูก็มีใช่ ด้านเสียงนี่นะอัลลอฮ์อลัอลล์ให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอยา่าดูฟิลโคลกิมาอย่าชาอะอัลลอฮ์สงเพิ่มให้นะครับในการสร้างของพอเพลลอฮ์สหรับสำหรับผู้ที่อัลลอร์ปมะสมจะให้มีปีกเท่าไหร่ก็ได้จะให้เสียงใครไเร่ก็ได้นะครับจะให้หน้าตาใครไเร่สวยบิวตี้ฟูลสมาร์ทแฮนด์ซับก็ได้ทั้งหมดนี่ ท่าน ต, ต้องขอบคุณ Allah ห ب ح ا ن ه ะเยอะๆนะครับอินนัลลอฮะ على كل شيء ก็ดีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลล์เป็นองครับนี่อายานี้อายาเดียวในอิมานเพิ่มยังเพิ่มแล้วลฮัมดุลิลละมาชาอัลลอฮ์นะครับทีนี้คำว่าฟาติตเนี่ย <c oughs> คำว่าฟาติตนะครับท่านอิมามอิบนอับบาสเองเล่าเองบอกว่า ฉันเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้เขาว่าฟาเตสเนี่ยเป็นคนอาหรับพออ่านว่าฟาตเตสไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็มีผู้ชายสองคนเป็นคนบ้านนอกอนะทะเนลาะกันเรื่องเรื่องบอ่อน้ําเสร็จแล้วก็มาหาเขาบอกว่าธรรมะเล่าว่าฉันนี่นะขุดบอ่อน้ําเป็นคนแรกเขาใช้ภาษาเนี่ยฟาตตุ ฟาตอตุฉันได้ขุดบอ่อน้ําเป็นคนแรกคุณไม่ได้ขุดสักทีหนึง่งจะมามาตู่จะเอาบอ่อน้ําเป็นของคุณขเขาก็เข้าใจอ๋อฟาตอตุฟาตรอรอเนี่แปลว่าเข้าใจกุณอ่ญญานอัจฉรินี้ว่าอลัลลอฮ์เนี่ยสร้างช้นฟ้าเป็นคนแรกแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีแปลนอ๋อห้ามเข้าใจกุณอ่ญญานอัจฉรินี้คําว่าฟาติริสมาวาติวะอัลเข้าใจนะนี่คนระรับเองเนี่นะ บางทีก็ไม่เข้าใจคาว่าฟาติดหรือฟาตรอรอเนี่ยแปลว่าอะไระพวกเราเนี่ยเอาความรู้จากบรรดาอลาุลามะทังหมดนะที่สอนเราห้ามโดยเรื่อยเอาต่อมาครับพี่น้องต่อมาอายะที่ไร น, น ะ, อ า, ะอายะที่อายะที่สองสูบร้อฟาติมาเยฟต้าฮิลลัลฮุลินนัสมิร์ฮ์์มะ فلا ممسك َ له، َ وما َ يمسك ِ فما فلا م ر س ل َ له من بعد، َِْ وهو ََُ العزيز الحكيم، ما يفتح َِْ ا له للناس َِّ من ِ رحمة َْ فلا َ ممسك َ له. َ ว่ามายุมงสิก فلا مرصلا له مِنْ بَعْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ อัลลอฮฺอับดุลฮะมดุลลออายะที่สองของสูร์ฟาต์นี่ดีมากครับอธิบายเรื่องราะมะเห็นไหมราะมะราะมะนี่แปลว่าความอะไรนะความเมตตา นี่ความเมตตานี่เราอยู่บนโลกดุรยาบปนี่เพราะรอดเมตตารอนะที่ส่งมล า, ายิกามานี่ก็เมตตามนุษย์ส่งนบีมาเมตตามนุษย์ถ้าไม่ส่งนบีมาเราใช้ชีวิตสเปสปะนะโอ้โหท่านจะทํำยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ทำแล้วมีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทำยังไงถ้าไม่อาศัยนบีอัลลอฮ์จะต้องทําอะไรไม่ถูกเลยนะ เอาล้อนี่แค่นอนกันเหมือนกันเน่ยนี่เนี่นอนเนี่ยถ้ามาอาศัยนบีก็ไม่รู้ว่านอนท่าไหนดีที่สุดสรุปแล้วนบีมาสอนให้ยิบรีมาสอนว่านอนท่าตะแคงขวาดีกว่านอนคว่ำทำ น, นะ น, นั่นเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าก็ดูสิมายิธเรานะ่ะนอนคว่ำหรือนอนหงายหรือนอนนอนตะแคงขวาตอนฝังอะตะแคงขวามหมดเลยใช่ไหม ถ้าน่าท่าที่นอนที่ดีที่สุดก็คือท่าที่นอนตะแคงขวาลหลักฐานหน้ามาจางไหนจีบหลัดเห็นอย่างครับเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องมานั่งคิดเออใช่ทาไมต้องตะแคงขวาล่ะเออทำดูเลยเราเนี่ยสรุปแล้ววันนี้ ห, นหมอนะวิทยาศาสตร์นะสรุปแล้วว่าถ้าจะให้จะนอนให้สง่างามนอนให้ดีไม่ฝันร่งฝันร้ายนะนอนตะแคงขวาหมดเลย ทำที่รีแล้วผมก็สังเกตตัวตัวผมนอนคว่ำน บ, บีเห็นสวาบาท่านหนึ่งนอนในมัสยิดนอนคว่ำนี่ว่าเปลี่ยนท่าไหมไอ้ท่านี่มันท่าคนนรกคนนอนกันนอนต ะ, ตะแคงขวาดีที่สุดพีนน่น้องเห็นยังครับอ้าวมาพิสูจน์กันแล้วหัวใจเราเนี่ยอยู่ทางไหนทางซ้า ย, ถ, าายถ้านอนตะแคงขวาเนี่ยไม่มีอะไรมาทับหัวใจเลยใช่หรือไม่ใช่ นอนอิมเล่นเสือดเดินสบายอะไรตะะ่างๆถ้านอนคว่ำเนี่อึดอัดนะเห็น ไ, ไหมนี่เอาเรื่องนอนตะแคงอย่างเดียวนะมามาวิจัยมาวิเคราะห์ทําตัวยแล้วเอาเนี่ยหมอก็แนะนํามาให้ล้างมือโรคเนี่ยแต่ที่สุนนัขนบีนให้อาบน้าน้ำมาใช่ไหมเอารออะไรบ้างล้างมื อ, อยังไม่พอล้างถึงข้อศอกด้วยนะเอาน้ำใส่ปากใส่จมูกสังออกมา เห็นยังควบคุมยังควบคุณหมดเลยล้างหน้าอีก Allah ba, ลอว่าล้างเท้าอีกล่ะสอนไปทีล้างเทา้าเอ า, ม, านะอมือซ้ายนะใช่ไหนิ้วก้อยมือซ้ายแยงลงไปในในอะไรนะในช่องเท้าเรื่องอย่างนี้มาจะชั้นฟ้าหมดเลยนะทําอย่างนี้แหละสุขภาพคุณจะดีอัลลอฮว่านี่ยค่ะสองเรื่องนะนี่ร่มายัางร่ำม้าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และุทธ์อาลั ว่าไม่ยัฟตาฮิละฮุลินาซิมิรอฮ์มะแปลเปรมา ก, ก่อนนะอันใดจากความเมตตาที่อ AH ัลลอฮฺยัฟตาฮิทรงเปิดทรงประทานให้ทรงเปิดให้กับมนุษย์ มาฟะเลยุมย่มซีกะลาไม่มีผู้ใดหยุดยั้งมันได้ความเมตตาที่อัลลอฮฺประทานให้กับมนุษย์นั้นนี่มันจะพูดมุสลิมนะลินน่าใช่ยังครับให้กับมนุษย์ทุกคนที่อัลลอฮฺให้ทุกคนมีความเมตตาหมดทุกคนมีความเมตตาจากอัลลอฮฺทุกคนไม่ยกเว้นใครเลยนะมีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่งอ่าได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ เมื่อเอา ล, ลอดประทานความเมตตาให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยมาใครมายับยั้งได้เลยอไม่ไม่มีสิทธิ์เลยทีนี้คำว่าเมตตาเนี่ยมีอะไรบ้างอุลามะอธิบายอย่างนี้นะครับเมตตามีสองอย่างเมตตาบนดุนยา <c oughs> กับเมตตาในโลกอาคิรและเมตตาในอลัลลบา ร, ร์จากเลื่านคำว่าเมตตานะครับพี่น้อง ท้งดุญยาก็มีอัลลัมบัตซาเขมีอาคิระหลังจากตายฟื้นมามีความเมตตามหมดเลยมีอะไรบ้างอุลบะอธิบายอย่างนี้นะครับในตับซีดมาวันดีอธิบายว่าหนึ่งี่ความเมตตาบนบนดุญยญาที่อัลลอ์ให้นะหนึ่งให้น้ำฝนมาขอบคุณอัลลอฮ์ทันยาอย่าไปคิดว่าที่ฝนตกมานี่เพราะดาวดวงนี้ เดินผ่านมาดาวดวงนี้ให้ฝนตกดาวดวงนี้ให้คนเจริญดาวดวงนี้ทําให้ประเทศแย่ yeah. ไม่ใช่ดาวใคร <laughs> อัลลอฮฺสุภานะฮูอัลอะกิดสัสเคลียไหมโอ้เคลียหมดเลยตกลงว่าโรคมันเนี่ยมาเองหรือว่าคนส่งมาหรือว่าอัลลอฮฺส่งมาอัลลอฮฺส่งมาส่งมาจะม่คิดต่อเราทําบาปหรือเปล่าแต่บาตัวหรือยังทําความผิดกันแก้ตัวอยังต้องนึก เอาต่อมากับลูกอีเรื่องหนึ่งเต่าบ้าตัวอนนี่บนดุนยานะท่านอิหม่ามอิบนับบาสอธิบายว่าราะมะก็คือคนที่ทำบาปเยอะๆถ้าไม่เต่าบ้าตัวเองเจออาสาบในกุโบนแน่นอนเมื่อฟื้นขึ้นมาถูกอีกฉะนั้นด้วยความเมตตาของอัลลอฮอัลลอประทานเรื่องเต่าบ้ามาเป็นราะมะเป็นความเมตตาพี่น้อง ในอินเดียผมอยู่อินเดียมานานนะผมก็ชอบคุยกับพวกฮินดูผมคุยเรื่องเตาบ้ากับคุณฮินดูฮินดูบอกว่าในอิสลามสอนอย่างเลยนะศาสนาฮินดูสอนอย่างงี้ถ้าใครจะเตาบ้าตัวนะต้องไปอาบน้ําแม่น้ําขมขาบางคนไปอยู่อินเดียไปอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยต้องบินมามาทำร้ายมาเตาบ้าตั ว, ตวที่ประเทศอินเดีย ต้องไปอาบน้ําคงคาถึงจะต่อ б ตัวเราก็นั่งนึกต่อแล้วของเราม穆斯林 อ, ลอัลลอฮฺส่งมาต่อ б ตัวที่บ้านได้ไหมได้ในมัสยิดได้ไหมเมื่อตกไปอินเดียไม่เห็นจากตกไปมาการ ไ, ไม่จําเป็นกี่น้องแต่ไปมากามันก็ดีจะมาแต่ทให้มีตังไปไหมต่อ ба ตัวที่บ้านได้ไหมได้กลางคืนได้ไหมได้กลางวันได้ไหมได้มีอยู่คนนึงจากจากสงขาเนี่ยขับรถมาหาผมสักสิปีที่แล้ว ทำมาหาผมเรื่องอะไรจะมาตบ้าตัวแล้วก็นึกเฮ้ยไม่ใช่อะแล้วมาแลกกันแล้วกันเอากับปัญมาได้ครอบผ่านเวลานะบาปที่ทำมาทั้งหมดตบ้าตัวให้หมดไม่ต้องมานั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละเห็นยังครับนี่บางทีเราเอาความคิดของพวกคริสเตียนมาใชา้ตรงตาบ้าตัวตัวหน้าบานหลวงมีใช่ไหม ต้องเข้าไปในโบทถ์นะแต่ของเรามีไหมไม่ต้องไม่ต้องอาศัยใครเลยตัวเองระวังกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูะตะล า, านี่เคลียร์ยัยงเคลียร์มากเลยครับท่านอิห ม, ม่ามอิบนาอับบัดอธิบายว่าเตาบ้าก็เป็นราะห์มะข้อที่สมนะครับวาฮีนี่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอ์เป็นราะห์มะอีกคนหนึ่งความดีต่างๆ ท, ที่ท่านบินนองได้รับเนี่ย อัลลอฮ์นี่เป็นราะห์มะหมดเลยนะครับต่อมาอีกคนอธิบายว่าริสกีนี่เป็น้องครับนี่ไงออกซิเจนที่เราหายใจนี่เป็นราะห์มะครับแดดเป็นราะห์มะลมเป็นราะห์มะอัลลอฮ์กลางคืนเป็นราะห์มะได้นอนหลับสนิทสนิท น, นะอัลฮัมดุลิลลาห์รถเป็นราะห์มะต่อมาต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งอาฟิยะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแต่ละคนแต่ละคนแข็งแรงไม่เหมือนกันเราต้องนึก วันนี้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เราออกไปเดินสวนหลวงรอก้าไปวิ่งมาอัลลอฮ์ขอบคุณสวนหลวงรอเก้าจังเลยใครบอกคุณ <c oughs> นี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอาฟียะร่างกายแข็งแรงนะครับต่อมาครับดูอา น, นี่เราขอดูอ า, านี่ยไปน้องสมก่อนขอเป็นที่ไหนแหละ <c oughs> อา่านดูอาออกจากบ้านดูอาเข้าบ้านดูอาขึ้นรถรอดูอาให้พ่อแม่ นี่เป็นดะอานี่เป็นรัมมาเป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮฺสุภานณอวัตอัลาและอีกข้อหนึ่งเป็นว่าครับทางนำเนี่ยที่เรามีทางนําเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราเนี่เป็นทางนํำเราทําดีกับภรรยาของเราเอาเงินให้ภรรยานี่เป็นทางนําสําหรับชีวิตน่ะเราไม่ตัดขาดกับเครือญาตินี่เป็นทางน ำ, ำอ่อำำนะอนนะแล้วก็นบีก็สอนนะใครที่ทะเลาะกับเครอือญาติเดี๋ยวไปเจอด่านตอนตอนจะเข้าสวรรค์นนะ่ะข้ามข้าม ข, ข้ามสะพานนะ่ะไปเจอด่านตรงนั้นนะ่ะ ถ้าเองทะเลาะ ก, กับเครือญาติแล้วไม่เครียรกันก่อนไม่คื น, นคดีกันก่อนเองเจินแน่ฉะนั้นความเมตตาจากอัลลอฮฺนี่คุมคุมคุมชีวิตต่อยักคุ ม, ค ม, ค ม, คมแล้วไปน้องฉะนั้นราะห์มาเหล่านี้มาจากใครครับอัลลอฮฺเปิดให้กับมนุษย์ทุกคนคนที่นึกถึงอัลลอฮฺต่างหากที่จะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺเปิดเยอะๆให้ไปน้องเราะห์มะเปิดเยอะทรยศนะดีนะดูกรานะ อินนัลอินซานะลายะตออัลฮุสตัลนาแปลว่าอะไรแท่จริงมนุษย์นี้นะจะเนรคุณต่ออัลลอ์เมื่อเขาเห็นว่าเขามีครบทุกอย่างร่างกายแข็งแรงเงินมีเมียมีรถมีความรู้มีการศึกษาดีอะไรดีตะกาบุญเยอะยิงอวดีฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้ขาดบางเด็กเล็กน้อยเนี่ยให้เตือนใจเราได้นึกถึงอัลลอ์สุบฮานูตจะได้ขอดูอาเป็นอัลลอ์จะ นี่ลูกจะเข้าแพทย์ลุกจะเข้าโรงเรียนหาเวลาเยอะตอนนี้กำลังสอบกันอยู่ใช่ไหมพ่อแม่จะเป็นห่วงลูกก็ต้องขอถูกไหอตัวไปเรียนอะไรเรียนทิวเตอร์แล้วนะเรียนอะไรเรียนที่จ้างครูมาสอนแล้วยังไม่พอเองนะอลัลลอฮฺจะขอถูกอาให้ลูกจานหลานจานได้เข้านุ่นข้าวนี้ก็อขอกันไปนะดูอาเป็นรอห์เป็นความเมตตาจากอ AH. ัลลอฮฺสุวาตอัลลอฮฺฟาลามุมซิกาลหูเมื่ออัลลอฮฺให้แล้วนะ ใครมายับยัางได้ไหมไม่ได้เห็นยังครับดูอานเนี่ยเราอ่านเราอ่านประจำนะอัลลอฮุมะลามาเนาะลิมาอ้าตอิตะวลาโมตียะลิมามะนาตะวลาญฟะอุซลจัดดิมิงกันจัดดูนี่นบีเอามาบรรจุในนมาดเลยเป็นหลักสูตรหลังจากให้สาลามแล้วใช่ไหมก็อจะอ่านสุบรรณัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮุมะลามาเนาะถ้าอัลลอ์ไม่ให้ ใครมาให้ก็ไม่ถึงถ้าอาลัลลอฮฺจะให้ใครมายับยัง้งไม่มีความสามารถตืนเราตลอดเวลาเรื่องรีสกีเนี่ยใครให้เงินทองเราชื่อเสียงเราหน้าตาเราความแข็งแรงเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องต้องดูแลตัวเองด้วยในการดูแลตัวเองเอาอย่างนี้นะพว ผ, ผมอ่านจากคุณอ่านนะกินผลไมกนะ้กับข้าวนะ่กับข้าวน่ กินอาหารนี่นะกับผลไมนะ้เนี่ยกินอะไรก่อนกินผลไม้ก่อนนะนี่ตามกรุณราณเลยนะอาหารเมนูชาวสวรรค์เนี่ยวา่าฟากีหาติมมิมายาตะคอยยาลูนทานผลไม้ก่อนวัลละมีโต้ยริมมิ ม, มายาสตาูแล้วก็ตามด้วยเนื้อนกในสวรรค์นะว่าฮูรูไนแล้วก็ภรรยาหญิงชาวสวรรค์อัลลอฮ์ Allah บอกใไ้สามรายการเนี่ย เราเอ่ยอะไรก่อนผลไม้ก่อนตามด้วยอาหารหนักตามด้วยคารุนเอนอธิบายยังไงน้องคิดฉะนั้นจะให้สุขภาพแข็งแรงอัลลอฮฺสอนแล้วนึกถกตอนนี้เราเนี่ยประเพณีปฏิบัติกินผลไม้ที่ไหนตอนหลังเอามาลางปากคิดเองอะไรเองก็สุขภาพแย่ทุกคนเป็นบาหวานตามมาอรต า, ามาเต็มไปหมดพี่น้องเอา นี่ผมแนะนำให้ฟังเล็กๆน่อยนะครับวามายุมสิกุฟ阿拉มุดสิลาลาหูมิมบาดีอันใดที่อัลลอยับยั้งไวมุมซิกวามายุมซิกวอันใดที่อัลลอฮฺยับยั้งไวนะครับฟ阿拉มุดสิลลหูมิมบาดีก็ไม่มีผู้ใด จะปล่อยให้มาจะให้มันเกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ห้ามแล้วนะครับใครจะปล่อยให้มาในได้ไหมไม่ได้ไมบาดีหลังจากที่ Allah อัลลอฮ์ยับยางแล้วไม่มีใครสามารถที่จะนํามาให้ได้ผมนึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับบางคนที่วิ่งอะไรเ่ยทําธุรกิจค้าขายเยอะมากเซ็นสัญญากันแล้วอะไรแล้วเลิกการคันนี้ป่านี่นั้งธุรกิจรู้ อ, อ, อัลลอฮฺอัลบาฉะนั้นสัญญาของอัลลอฮฺนี่นะเราต้องมอบแล้ริสกีเนี่ยนบีสอนไงรู้ไหมให้มอบหมายต่ออัลลอฮฺเหมือนกับอะไรนกอนกตอนเช้าเนี่ยบินออกเลยไปน้องท้องว่างอยู่นะออฟฟิศก็ไม่มีริสกีเต้นพันดินไปหนดเดี๋ยวก็ไปเจอไปเจอไปเจอไปเจอไปเจ อ, เจ อ, เจอมีอยู่ผมอ่านคลิปลายของใครไม่ทราบนี่จึงจบอยู่ตัวหนึ่ง ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างบ้านมาห้าปีแล้วต้องการที่จะรื้อฝาผนังพอรื้อฝาผนังหลังจากห้าปีแล้วนะไปะเจอจิงจกอยู่ตัวหนึ่งนะ่ะตะปูเนี่ยมันไ ป, ไ ป, ไ, ปไปตอกอยู่ที่ขาจิงจบห้าปีแล้วจิงจบยังไม่ตายเขาก็เออสงสัยไม่ตายก็พยายามสังเกตดูนะมีจิงจกอีกตัวหนึ่งเอาอาหารมาปลอย เอาหารมาพ่อนน่ะเขาบอกอลัลลอฮฺแล้วเขาก็มามาันอธิบายต่อน่ะไอเราเนี่ย إ ي م า ن ต่อ อ, อัลลอฮฺทำใหอิหมานแล้วเพิ่มไหมอ้าอลัลลอฮฺส่งอีจึงจกอีกตัวหนึ่งมาป้อนอาหารให้จึงจกที่ติดตะปูอยู่ออกไปไหนไม่ได้ห้าปียังไม่ตายเลยเห็นยังครับนี่เป็นความเมตตาของการ น, นี่เป็นราะมักของอลัลลอฮฺสุบฮานาหูบาดะละต้องนึกเยอะๆครับพี่หมอฉะนั้นมีรมาะมักของอลัลลอฮฺมาหน่ยอย่าใช้คนเดียว ังแบลนั่นชายด้วยบางทีผ่านเราเยอะหน่อยอ่าดูดูแลเด็กก็พาดูแลมัสยิดดูแลโรงเรียนอัลลอฮ์พี่น้องับอตมาครับวะฮัลอาซิดุลฮะกิมแต่อัลลอ์เป็นผู้ทรงอำนาจอัลลอ์อักบาดะผู้ทรงปรีชาญานี่สิฟัตอัลลอฮ์หมดเลยท้งแม้เราอหม่าเราเพิ่มขึ้นไหเพิ่มขึ้นฉะนั้นนี่อายานี้เตือนตัวเรานะ อัลลอฮ์เมตตาเราก็ น, านา่าไหนประทานร حم, หฮมะเขาเรียกว่ารหฮมะความเมตตาเนี่ยมีตั้ง8ปดรายการนะครับพี่น้อ ง, งตีนัยปฏิสธิอัจบายว่าความรู้ก็เหมือนกันเป็นรหฮมะจากอัลลอฮ์คนที่มีทํามีโอกาสทําอามันฑ์ซอซโซแล้วอย่างนี้นำมาครบหเวลาอัลลอฮ์ได้อ่านกุรอานได้ศึกรุลลอห์ได้เมตตาคนอัลลอฮ์นี่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดเลย แล้วก็บางคนอธิบายต่อว่าภาษาอุอุกวบานนะอัศบะเบอารามมาถึงคนที่มีโอกาสได้นอนงีบในเวลากลางวันนี่เกับความเมตตาจากอัลลอฮอัลลอักบัติจานั้นตรงกันข้ามคนที่บ้านตินต ด, ตดติดสซเราไม่มาู่เรานี่ไม่เมตายัาง <c oughs> กระทบเล็ก น, น้อยไปนะครับตงนึกทำในเลระ บางคนทะเลาะกับกรรมการโซราไม่เข้าโเรามันเกี่ยวอะไรกับโซราแล้วมัสยิดหน้าบ้านอัลลอฮ์เองทะเลาะใครก็ไปเค้ก็สิใช่ไหมแหละแอนตี้ไม่เข้าูเราแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ถูกกันนะให้รอามาห์มาไปต้องจําได้ป่าวโซรอที่ผ่านมานะอีมานต่ออัลลอฮ์นี่เป็นรอฮามาอันยิ่งใหญ่นะไปยืนอยากได้รอหามาห์ตอนหนาโน่นตอหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ้าฉันอยากได้อีมานอยากได้เต้าบ้า ในวันกียัมะอัลลอฮ์ไว้ตาบาเต่านี้มันสถานที่บายงี้ใช่ไหมมามิมาการมันต้องบนโลกดุนยานนู้นคุณจะมาขออิมานมาขอเตาบาตัวอัลลอฮ์ไม่ให้อ่ะเพราะสถานที่เตาบาบนโลกนี้ใช่ไหมอ๋อสถานที่อิมานบนโลกนี้ใช่ไหมเอ็งจะไปหาหลังตายได้ป่าวมันต้องรู้เอาอะไรหาอิมานหาตอนไหน หาเงิน winning, หาตอน ate, notes, you join, you oh, ไหนไปหาหลังตายเจอได้ยังไงไม่มีสิทธิ์น้องเนี่ยถ้าไม่เราฉลายขึ้นไหมโอ้ล้ฮขมเดลิลาฉลาดขึ้นมต่อมาอายาที่สามม่ใชอีกคำอธิบายของอุลามะอธิบายดีนะอ่ต่อต่อไปยาอายุหันัสอุกุรุนิามตัลลอฮิอุม هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنت فقود يا أيها الناس أذكرني ع م َ الله عليكم هل من خالق ิ ي ر ا ้ ل ย يرزقكم من السماء و ม ل ิ ر ض า ا ล ل าอิว هو فإن آتوك أكون الله أ ك ั ر ขอบดุณทุกอ้อ a ล a h Allah นะ a ล l a h เตือนนะไม่ได้เตือนแมวนะเตือนพวกเรา อัลฮัมดุลิลลอฮฺอาญานี้มีหลายหลายประเด็นประเด็นแรกคืออายูฮันนาอะลอรเรียกใครมนุษย์ไม่ใช่เรียกบุมินานะมนุษย์ทั้งหมดที่อะลอร์สร้างมาขนาดนี้มี 7,000 กว่าล้านนะ่ะอะลอร์ส่งโรคมาเนี่ยเตือนสติพวกคุณนนะ่ะอายูฮันนาสมนุษย์เอย้ย ทั้งมุชริกาเฟตมูมินกาเฟตมุตตัดทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้กีค่คนก็ตามแต่เลาเตือนหมดเลยนะอุสกุรูจงนึกถึงจงรำลึกถึงไอ้ยางครับอุสกุรูจงรำลึกถึ ง, ง, ง, รร ง, รถงเราในเป็นมุมินแล้วเรานึกถึงอัลลอฮ์ว่าไงสุพรรัลลอฮ์ฮามดูลิละละอิลละอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบาร์ุบานัลม али คินุคด ال ุส لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلي كل شيء كريم อันคืออนนึกถึงอัลลอฮ์นมาดหนึ่งถึงอัลลอ์เราทำมาอยู่แล้วนี่อัลลอฮ์สั่งอีกนะเป็นมุมินยังไม่พอสั่งอีกนะยะอายุห uh ัวหน้าในรวมหมดเลยนะมนุษย์เอ๋ยจงนึกถึงอะไรครับนิ่ยมาตลอดอะไรกุมความโรดปราณอายะแรกราะห์มัใช่ไหมอายะนี้เนมาอนยัง ขุดย้ำไปย้มาให้เราโยงกับอัลล์เยอะๆพี่น้องอย่าเป็นคนที่ตะกรับบทเยอะยิ ง, ยงจองของไม่นึกถึงใครนึกถึงตัวเองก็รูนึกถึงตัวเองมมากกว่าอัลลอฮ์ใช่ไหแลราเป็นไงถูกแผ่นดินอะไรเห็นนึกถึงตัวเองมากกว่านึกถึงอัลลอฮ์อัลลอ์แสดงให้เห็นแล้วถูกแผ่นดินสู่แผ่นอยัง ฟาโร่ก็หมืกันนึกถึงตัวเองวัยใหญ่ใ่ใหญ่ใหญอัลลอฮ์ให้จมน้ําตายเหมนไหมนี่ฉะนั้นให้นึกถึงอัลลอฮ์นะใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าตัวเราและอัลลอฮ์นะอยู่กับเราน่ะชีวิตเรานี่ยนะตัวเรากับวิญญาณเราเนี่ยย่าเข้ารูใบนะอัลลอฮ์อยู่ตรงกลางน่ะนี่พอเรียนไปเรียนไปหัวใจมันก็นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาต่อมาครับ อุษกรูนี่ยมาตอนลอฮีอัลลอฮกลุ่มจงนึกถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับพวกคุณทั้งหมดนี่ละ่ะไม่ใช่เกิดมาเองไม่ใช่เทวดาองค์ไหนให้มาไม่ใช่นะไม่ใช่โต๊ตะเกียให้นะไม่ให้โตไม่ใช่โต๊ะระยองให้นะอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นผู้ประทานให้ทั้งหมดเลยครับจะให้ใครลำบากมาจากอัลลอฮ์ให้ใครสุขภาพแข็งแรงมาจากอัลลอฮ์ไม่แข็งแรงเจ็บใข้ได้ป่วยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไปนะะ้องต้อง ตะวักก้นต่อเาเราถามต่อไปอีกฮัลมินขอลิตินไรรุ่ลอฮัลมินขาลีินไยรุ่นลอมีพระผู้ทรงสร้างมีพระผู้ทรงสร้างองค์ใดมินขอลิกิน ร้อยรุ่นลออื่นจากอัลลอ์กันนั้นหรือยังมีพระเจ้าองค์อื่นที่มาสร้างให้คุณนะอื่นจากอัลลอ์มีใครบ้างไหมเดือนสติตัวเองถามพี่น้องกาเฟ่มุชิลิกมุนอาฟิกมุตตัดมุนาฟิ ก, นฟกเนี่ยที่แอ t ตอิสลามอยู่นะลองใช้ปัญญาดูสิอื่นจากอัลลอ์มีใครสร้างอะไรบ้างให้เห็นสักนิดนึงบางคนว่ากดโทรศัพท์งนะ่ะ ทำไมไม่กลบับไม่ทํา ไ, ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลับจาของเจาของอะไรผู้สร้างโทรศัพท์อเราเคยเห็นหน้าคนสร้างโทรศัพท์ไหมไม่เคยเห็นตเราเชื่อโทรศัพท์จะมีมีคนสร้างคนสร้างไมโครโฟนมไม่เคยเห็นอะชั้นฟ้ากเหมือนชั้นต้องต้องรู้ว่าเพราะรู้ว่า อ, อัลลอฮ์เรไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างะเลาปก็มุ่เหมือนกันเออ ต้องเห็นหน้าก่อนถึงจะเชื่องั้นเลยเห็นไหมเช่นอัลลอฮ์เนี่ยมีจริงครับและสร้างชั้นฟ้าให้เห็นและเองสร้างได้หรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเราถามในคุรุอ่านนะยะรุจูกุลมินัสมาอีวันอัลรุบิประทานริสกีเห็นไหมเครื่องยังชี่ยทําไมพูดเรื่องริสกีริสกีเพราะคนนี่น่ากลัวริสกีจะน้อย ก่าริสกีจะน้อยเอาลอไม่ได้ริสกีนน้อยแม่แต่ต้องให้มันเยอะเยอะนี่เขาสั่งให้ใหทาะไรนะให้ซื้ออาหารเข้าบ้านเพราะโรคโควิด1 9เนี่ยจะปิดนูน่นปิดนี่ปิดนี้นะคนจริเขาสั่งให้ปิดพับปิดอะไรนะปิดอะไรมวยมว ย, มยสนามมยาวยโซด่าเขาไม่สั่งให้ปิดให้คนมานมาก นะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมาจากคนเ่าบาในขับผับต่างหากล่ะแต่สังเกตนะโรคอันนี้เนี่ยนะเจอคนรวยหมดเลยนะสังเกตนะคนที่เข้ามาสัสยิดเนะี่ยมันไปเจอเท่าไรเท่ากแต่เพียงแว่ามันพลาดได้ไงไปสาวนะเข้าไปในมาเลเซียก็มีบ้าง น, นนะแต่ตาข่าวตายังไม่มีนะตาตายังไม่มีไอ้บนะ้างสังเกตชายปัญญา ยาดูคุกุมมินัสสามารถอวัลอารดี di. อื่นจากอนะัลลอฮ์น่ะมีพูดประทานริสกีแหลงริสกีอยู่ที่ไหนมินัสสมาจากชั้นฟ้าเห็นยังริสกีอยู่บนชั้นฟ้านี่แหละแล้วก็วัลอารดีแหลงริสกีมาจากแผ่นดินเห็นยังจานั้นอัลลอฮ์พูดในการปีคุณอ่านอายะอื่นอย่างเงี้ ถ้าจะให้ริสกีเพิ่มคูณนะเพิ่มภูนสําหรับนะพวกท่านท่างหลๆนี่นะทุกหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นคนมีอิมานต่ออัลลอฮ์ให้หมดเรียนตักวันเรียนอิมานเรียนยักีนเรียนยอซ า, าเรียนอิคลาเรียนสุนานะนาบีเป็นคนดีริสกีเดี๋ยวเราจะส่งมาเองจากชาน้าแล้วก็แผ่นดินกันเราจะให้ริสกีเพิ่มขึ้นในบ้านคุณนั่นแหละมีอุลมามะท่านหนึ่งอธิบายอย่างนี้ ตอนเช้าๆเนี่ยหลังจากได้ยินเสียงอาจารต้องมีเสียงอาจารยด้วยนะพอมีเสียงอาจารย์เสร็จแล้วตอนตอนตอนตอนตอนนมัสยิดอุอลมะท่านหนึ่งอธิบายดีนะมาจากดูไบเป็นญ า, าติกริย์ด้วยมามารู้จักกันกับผมมันนั่งคุยกันพอได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดนะจะมีบรกิกต์แผ่นดินจะมีบรากต์โผล่ขึ้นประมาณสองสามเมตรจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น บรรยากาศนี้เฉพาะที่มีเสียงอาจารเท่านั้นเห็นอย่างครับชั้นหมู่บ้านใดที่มีเสียงอาจาร น, นะครับบรรยากาศมันจะออกมาจากดินเนี่ยสูนประมาณสองเมตรชัใครที่ตื่นนอนตั้งแต่ก่อนอาจาร น, นี่นะบรรยากาศโอ้โหเข้าไปในบ้านเขาในตัวของเขายิ่งเดินออกมาจากบ้านมามัสยิดนี่สูนบรรยากาศของ Allah. อลัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งบรรยากาศมาให้กับชีวิตของเขาตัวของเขา เฉพาะที่ที่มีเสียงอาจารย์เท่านั้นเห็นยังครับแล้วมันตรงกับที่เราพูดใช่ไหมริสกีของฉันเนี่ยมันต้องไปสแสวงหาที่ไหนเลยฟิสซ์มาวันอัลดดจะดึงริสกีมาอย่างไงประกาศเป็นคนดีสิ إيمان ต่อ Allah, อัลลอฮ์ إيمان ต่อรอซูนอ ي م ا ن ต่อคำพริรณุาณานอ ي م ا ن ต่อมัลลาอิก้า إيمان ต่อวันสิ้นโลกตายแล้วต้องฟื้น เหล่านี้แหละเป็นตัวดึงริสกีจากชานฟ้าแล้วก็ดึงริสกีจากแผ่นดินมาสู่ตัวของท่านแล้วครอบท่านและอิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอ AH. ัลลอฮ์พยังครับเน้นไปเน้นมาประกับหาอัลลอฮ์หมดเลยนะครับฟาอา น, นาตุฟกูนดังนั้นสู่เจ้าจะหันไปทงไหนอีกละ่ะ ไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทําไมไปกราบตัวยอกทาไมไปกราบต๊ะตะเกียร์ทำไมไปน้องนึกถึงอัลลอฮ์คำว่าอัฟกุลนี่แปลว่าหันมาจากตุตุฟกุลมาจากกับอิฟกุลเนี่ยอัฟกุลแปลว่าหันหันอิฟกุลแปลว่าเรื่องโกหกคุณไปเอาเรื่องเท็จมาใช้ในชีวิตประจําวันของจริงมีอยู่ทําไมไม่เอาของจริงมาใชา้แล้วก็คุณเนี่ย เปลี่ยนไปได้ยังไงผันแปรไปได้ยังไงผันตัวเองไปหาความชั่วได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮฺอธิบายเรื่องริสกีก็ามาจากชั้นฟ้าริสกีมาจากแผ่นดินต้องการริสกีเพื่อพูนทํามาไม่เปลี่ยนเป็นคนดีล่ะให้อีมานต่ออัลลอฮฺเรื่องตั ก, กัายาตีนยาซานมันก็จะดีหมดเลยอันยาสุดท้ายนะครับพี่น้อง و َ إ ِ ي ك َ ذ ِ ب ُ و ك َ ف َ ق َ د َ ك ُ ذ ِ ب َ ت ْ رُسُلُمِنْقَبْلِكَوَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا ل ْ أ ُ م ُ و ر ُ و َ إ ِ ي ك َ ذ ِ ب ُ و ك َ ف َ ق َ د َ ك ُ ذ ِ ب َ ت ْ رُسُلُمِنْقَبْلِكَوَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وإن อายะสุดท้ายนะครับอ า, านีปลอบใจนบีปลอบใจพวกเราด้วยแต่เรื่องยากคือเราปลอบใจนบีและปลอบใจคนที่อ่านอ่านกูลอ่านด้วยปลอบใจยังไงครับนบีทำงานศาสนามีคนต้านงานนาบีอีกไล่นบีออกจากนครมักกะไปอยู่ที่มดินา